มันฟุ้งไปเนี่ยหรือมันซึมอย่างนี้บริกรรมไปก็ได้หัดพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็กระตุน้นความรู้สึกของตัวเองให้มันคึกคักหน่อยจงใจทํานิดหนึ่งช่วยมันนิดนึงไม่งั้นแล้วก็ตัวข้างในนี้ซึมซึมไปนะข้างนอกนี้ก็สาย <laughs> สายสายสายมันไม่รู้มันสายคี่เหลวงพ่อที่เป็นเรื่องยากก็คือไม่รู้มันสายอืค่ะ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 กิเลสใช่ไหมฮะก็จะเกิดอชอบชังหรือว่าเฉยเยใช่ไหมฮะพอ ร, รู้ว่าชอบชังเฉยเยแล้วมันยังมีชอบชังเฉยๆยซ้ำซ้อนขึ้นมอีกส อ, สองชั้นสามชั้นเนี่ยดีแลเรารู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆดีแล้วที่ภาวนานะดีแล้วจิตวกแวกคะ่ะพระอาจารย์มันมันดื้อคะ่ะถดื้อ้ามันไม่ได้เนี่ย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 ให้ทำเล่นๆสอนใจทีหนึ่งเออต้องเห็นนะไม่ใช่นี่อ่ะกลาง่ะคะ่ะ hmm? จิตมันไม่เป็นกลางมันมันชอบโมโหซ้ำซ้อน hmm. พอมันเกิดโลภะโทสะโมหะแล้วพอท้ายที่สุดมันก็โกรธแล้วมันก็โกรธตัวไอ้ที่โกรธ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 เราจะดูไปเราพยายาบาตตัวพยาบาทเนี่ยจะเป็นตัวแทนของอกุศลตัวที่ไม่ได้พยาบาทเนี่ยนะเป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศลรเราก็จะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็พยาบาทเดี๋ยวจิตไม่พยาาบาทรล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยครับ<อ>แล้วคู่เดียวก็พอแล้วตัวอื่นๆนะครับตืวอือ่นมันเห็นเองแหละอ่าผมคือผมไม่เข้าใจความหมายมันยังอุทธะกุกจะ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 แล้วคราวนี้คือแล้วจะเอาอะไรเป็นวิหารดีครับฮะเอาอะไรเป็นวิหารดีครับ <c oughs> ใจของคุณมันฟุง้งฮ<ะ>นะรู้ลมหายใจไปก็ได้นะรู้เล่นๆ น, นะอย่าไปจ้องใส่ลมหายใจครับนั่งดูเหมือนเห็นคนอื่นหายใจไปทั้งวันแล้วพอใจเราหนีไปใจเราลืมรู้ว่าร่างกายนี้หายใจอยู่นะก็ให้รู้ทันว่าหลงไปละเลอไปละนะหายใจไปสักพักหนึ่งเราขี้มโมโหเนี่ยเราจะลำแขวนให้รู้ว่าลำแขว น, นะ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 ก้านเกินไปเดินแล้วเวียนหัวง่ายยาวเกินไปนะิตตกท้องช้างง่ายเดินไปครึ่งทางใจลอยไปแล้วหายไปเลยไปพลอยอีกทีตอนปลายทางอย่างนี้ก็ไม่ดีแต่หลวงพ่อนะพัฒนาการเดินจงกรมไปเยอะเลยไม่ชอบเดินนะแต่ว่าเวลาเดินเนี่ยยังอยู่ในห้องแคบๆนะหลวงพ่อเดินเป็นเลข8นะเลขแปฝรั่งนะไม่มีเวียนหัวเข้าใจมถ้าเราเดินไป3ามก้าก็กลับทีนึง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 อย่างในต้อมนี่เหมือนดินลงพ่อทั้งเหยียบทั้งย่าทั้งกระทืบนะไม่ใช่นวดด้วยมือนะบางทีนวดด้วยเท้าด้วยนะใช้ส้นเท้าคลึงนะมีหลายแบบมันทนนะ่ะมันทนได้คนทนได้มันก็จะได้หลักได้แก่นใช่หมบางคนนะั้ต้องโออยู่นั่นแหละโ อ, โอ้โอนะมาถามภาวนาดีไหมดีแล้วทำต่อไปหน้าอะไรเงี้ยถ้าพูดประโยคนี้นะแสดงว่ายังไม่ได้เรื่องนะนี่เป็นซิกแนว